ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูณ์อภิปุโนในตุวนพุทธเป็นช่วงกองตายร่มโอดิบทก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้มีความลึกซึ้ง เรามาทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นสักครู่หนึ่งตงัมโังวันนี้เรามาฝึกในการที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนั้นไม่ใช่กุฎบัตรบูฟังกุฎบัตรนั้นจริ ง, รงๆท่านใช้คําว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมะปัจจุบันเพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันบางทีเราเลินไปในปัจจุบันก็ได้อย่างวันที่ฝันกลางวัน ฝันเรื shock. ่องอนาคตว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนดี้ก็ไปตามอนาคตแต่ความคิดนั้นก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละก็คือเพลินไปในปัจจุบันที่เป็นความคิดนั้นเรื่องของอนาคตหรือบางทีเราคิดเรื่องอดีตว่ามันเคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้เราจะคิดเรื่องอดีตนั้นก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละก็เพลินไปในความคิดที่เป็นเรื่องอดีตในปัจจุบันนั้นเพลินไปในปัจจุบันก แต่จะไม่เพลินไปในเรื่องปัจจุบันเราต้องไม่งอนแง่นไม่กรอนแกลนในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเริ่มต้นด้วยการมาเจริญอาณาปานาสติตั้บฟังใช้ลมหายใจเป็นคเรื่องมืออยู่กับปัจจุบันอยู่ให้เป็นอยู่โดยไม่งอนแง่นไม่กรอนแกลนคือไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยิน ไม่เปลินไปในภาพที่เห็นอุณหภูมิอากาศร้อนอากาศหนาวแต่อยู่กับมันได้เห็นว่าฟังได้ยินเสียงพระมหาไบบูรณ์เนี่ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งคิดนึกเลินตามไปว่าเอทำไมท่านเสียงเป็นอย่างนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านทำอะไรแตคือเปลินไปตามเสียงที่เป็นปัจจุบันในเสียงของผู้พูดละแต่ก็ให้อยู่กับลมายใจของเราระลึกถึงลม หายใจเข้าหายใจออกย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ดม บ, บังคับไม่ต้องตามลมระลึกรู้อยู่กับลมกำหนดดูไว้ไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอหรือเกรงหลังให้ทำอย่างสบายๆเป็นธรรมชาติได้ยินเสียงก็รู้ว่ามีเสียงมาไม่เปลินไปตามเสียงนั้นนี่คือปัจจุบันคือเสียงที่ได้ยิน จะเป็นเสียงนกรังชิบจิบก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเนื่องว่าเอ็มเป็นนกพันไหนมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมันได้กินอะไรหรือโยดยดๆยดยดอยู่กับลมอยู่กับลมหรือถ้าเป็นเสียงคนทำกับข้าวเขาทำมานั่นอันนี้เขากวาดปืนนั่นนี่ไอ้ใครมาทำอยู่ตรงนี้เขาทำอะไรเขาจะไปยังไงต่อโยดยดๆยดอยู่กับลมอยู่กับลม หรือมีความคิดเดงก็ตามดูฟังความคิดที่ว่ามันจะเป็นนกเปนอะไรกับข้าวเป็นยังไงใครจะไปไหนหยุดหยุดมาอยู่ก็จริงแต่ไม่เปลินตามไปอยู่กับอะไรลมหายใจเท่านเั้นไว้เหมือนกับเวลาที่เราผูกลิงผูกสุนักผูกสัตว์ต่างๆไว้อยู่กับเสาถ้าเสาไม่ลม้มเชือกไม่ขาดสาัตว์เหล่านั้นมันก็จะวิ่งหนีนะมันจะวิ่งกลับไปสู่ที่อยู่ ท, ยที่หากินของเขา เือกก็จะตึงขึ้นมาเหมือนกันเวลาที่เรากําหนดรู้ดูอยู่อามเนี่ยนะแน่นอนว่ามันมีความคิดลิงมันก็ต้องไปป่าสุนัขบ้านก็ต้องกลับเข้าหมู่บ้านในหัวเรามันจะไม่มีความคิดได้ไงมันก็ต้องมีว่ามันคิดได้หูเราจะไม่ได้ยินเสียงได้ไงมันเป็นธรรมชาติมันต้องได้ยินเสียงแต่ได้ยินแล้วเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มคือเราไม่เปลื่นตามไปคือเราอยู่อามได้ยินยุ มีความคิดอยู่แต่ไม่ลืมหลงความที่เราไม่ลืมหลงลมหายใจนั้นนั่นแหละคือการเห็นกายในกายคือการเจริญสติปัฏฐานสีคือการที่เราตั้งสติวไว้กาหนดดูรู้อยู่กับลมไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเงียบกริึบเลยนะไมาได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีความคิดอะไรเลยมันไม่ใช่นะมันก็ยังได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละเพราะมีหู มันก็ยังมีความคิดนึกอยู่นั่นแหละเพราะเรามีสมองไงเราคิดได้อะไรได้เราไม่ต้องไปบังคับให้ว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดไม่ต้องไปบังคับว่าเขาต้องหยุดทําเสียงนั้นหรือเสียงนี้แต่เราไม่ลืมลมตอนนั้นเองพอเราไม่ลืมลมก็คือไม่เปลินไม่ลืมลมไม่เปลินก็คือมีสติมีสติอยู่คนลมไม่ลืมลมไม่เปลินไปตามความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นไง อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไม่เปลื่นไปอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไม่เงอนเงันไม่กลอนแกลนอยู่กับปัจจุบันได้โดยที่ไม่เปลืนไปในเรื่องอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้นะดูฟังนะมันจะทำให้จิตใจของเรานี้มีสติกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะทำให้จิตใจของเรานี้พอมีสติกําลังเพิ่มขึ้นแล้วจิตเราจะไม่ฟุ้งไปซานไปนก็จะค่อยรวบรวมก็มารวบรวมก็มา ระ ง, งับลงมาระ ง, งับลงมาเหมือนเว้นขยายรู้บฟังที่เราปรับจุดสมดุลหมายถึงจุดโฟกัสให้เหมาะสมแรกๆก็ยังไม่รู้ละ ว, ว่ามันจะใหญ่ลงหรือเล็กขึ้นหรือมันจะซ้ายขวายัางไงก็ขยับดูขยับปรับมุมเคลื่อนลงไปมาเหมือนกันนี่คือตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราตั้งสติไว้อย่างนี้รักษาจิตที่มีสติมีความสงบเงียบไว้ให้ดี ธรรมฟังรักษาสติของเราอยู่กลมไว้ให้ดีอ้าวละธรรมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบ ก, กันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะที่เป็นหัวข้อหมายถึงแม่บทเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดหมวดหมู่เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมทำเป็นระบบทำเป็นข้อทำเป็นเรื่องราวให้หน้าศึกษาติดตามทำความเข้าใจที่เมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจติดตามนำมาพูด คุยให้เห็นส่วนต่างๆแจกแจงแยกแยะออกทำความเข้าใจแล้วปัญญามัน่ะวาบสว่างขึ้นเป็นจุดเป็นจุ ด, จดขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังโอเเหล่านั้นเวลาที่เราจะศึกษาก็ต้องทำจิตให้มีความสงบมีความนอมนอ้อมมีความนุ่มนวลซะก่อนไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนการไปจับงูพิษ ที่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้องไปจับมันเฉยๆเลยไมย่รู้วิธีมันฉกกดันเอาตายได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือมีวิธีการจึงในทุกวันพุทธธบฟังเป็นช่วงของใต้ร่มปพธิบทที่กับพระเจ้าจะมาพานั่งสมาธิสัก5้านาทีสินาที แล้วก็มาอธิบายทำความเข้าใจในหัวข้อต่รมะเหล่านั้นเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นนั่นเองเป็นปัญญาชนิดที่ประกอบด้วยสมาธิและศรัทธาไม่ใช่เป็นปัญญายกตนข่มท่านเป็นปัญญาที่เป็นไปในทางโลกุตรัตคือเป็นไปทางเหนือโลกไม่ได้เป็นปัญญาที่ไปในทางโลกิยะที่จะยงเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักเกี่ยวเนื่องด้วยอาสวะยิ่งทําให้ทุกข์อยู่ดังเมื่อ เ, เราทําความเข้าใจก็รักษาสิทตี สงบนี้ไว้ให้อยู่ตลอดใกลรครูนตราตรองไพ่้เกิดพลังปัญญาเอาไปชุมแรกกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรานั่ยนี่นับบ้างเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่านี้คือปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี้คือพลังจิตใจที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้จึงจะพูดถึงฐานะสี่ประการนับังที่จะทําให้เรารู้ได้ว่า เออใ น, นคุณมีปัญญาหรือยังคุณมีกำลังสมาธิแล้วหรือยังศีล ส, สมาธิปัญญาจะมีตัวที่จะตรวจสอบได้ก็เรามีหรือไม่ในประสูติชิบาทานสูตรมาในอังคุตรนิกายหัวข้อที่มีธรรมสีปาะการคือจตุคานิบาตในที่นี้ท่าน บอกถึงความที่เราจะรู้ถึงบุคคลว่าเขาเนี่ยหรือเราเนี่ยมีคุณธรรม4ประการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนั่นคือศีลความบริสุทธิ์กำลังใจและปัญญาศีลก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีลสีนั่นแหละศีลคือความเป็นปกติในชีวิตของเรา ถ้าบอกว่าจะรู้ได้ด้วยกันอยู่ร่วมกันความบริสุทธิ์หมายถึงความสะอาดในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วม ก, กันกับคนอื่นคุณจะรู้ได้ไงก็รู้ได้โดยถ้อยคำเพราะว่าศีนี่มันเป็นเรื่องของทางกายทางวาจาเจาะจงเอารมาในเรื่องของวาจาก็เป็นเรื่องความสะอาดในการดำเนินชีวิตความบริสุทธิ์ น, นี่ประเจ้ายกหัวก้อกันนะทุกังนะจะค่อยมาลงรายละเอียดแต่มาที่ว่ากำลังใจกำลังใจนั้นหมายถึงสมาธินั่นเองกำลังจิตกำลังใ จ, งใจมีสมาธิมีจิตที่มีพลังหรือไม่จิตที่มีพลังคือกำลังใจจะรู้ได้ด้วยในคราวมีอันตรายและในฐานะที่4ที่ว่าถึงปัญญานั้นปัญญาก็จะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา อันนี้กัปปเจ้ายกหัวข้อขึ้นก่อนทุกฟังเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาทําการเปรียบเทียบระหว่างในตัวเราเองหรือว่าในบุคคลอื่นหรือพิจารณาทั้งสองบุคคลทั้งตัวเราตัวเขาไปพร้อมๆกันเลยในธรรมสี่ประการที่ต้องอาศัยเหตุ ต, ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ้าเรามีเวลาเหลือนะั้นทุกังก็อาจจะยกได้ธรรมอีสีประการหนึ่ง ที่จะเป็นความแยกแยะแตกต่างระหว่างคนพานกับบัณฑิตด้วยจะช่วยมาว่ากันถ้ามีเวลาเหลือวันนี้เอาสหัวข้อนีส้สก่อนศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความบริสุทธิ์สะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคํากำลังใจพึงรู้ได้ในครามีอันตรายและปัญญาพึงรู้ได้ด้วยกันสนทนา อย่างไรเานบอกว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บเห็นคนนี้พูดใจอย่างนี้ฝันธงเลยเขามีศีลเขามีความบริสุทธิ์เขามีกำลังจิตสูงเขามีปัญญาเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวปุ๊บปับ๊บนี่ยังจะฟันธงลงไปไม่ได้นะต้องใช้เวลาไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่นิดหน่อยนะแต่ต้องใช้เวลานา น, าน แล้วก็การดูนี่ต่อให้หนึ่งใช้เวลานานแล้วยังต้องรู้จักพิจารณาด้วยคือการคิดไกรกรุนในใจและการคิดไกรกรุณในใจก็ต้องด้วยปัญญาด้วยนะมันมีสามอันต่อไปอีกยังไงเนี่ยจะรู้ธรรมะในสี่หัวข้อนี้ได้ต้องอาศัยประกอบกันจากหนึ่งเวลาสองต้องการทำในใจและสามปัญญา สามอย่างนี้จะช่วยให้เรารู้ในสหัวข้อนั้นได้เราไล่ที่4หัวข้อก่อนนะบ้างแล้วจึงจะค่อยมาไล่สประกาศนั้นสหัวข้อที่ว่าศีลหมายถึงความเป็นปกติในชีวิตของเรากระว่าทั่วไปก็ต้องสี่หน้าแต่คนที่อยู่ครองเรือนแล้วก็อยากจะทําให้ยิ่งขึ้นไปมีนิพพานเป็นที่ สุดจบให้ได้ในช่นี้ในชีวิตนี้เราก็ต้องรักษาศีลพรมจรรย์คือศีลแปอย่างนี้แหละต่เป็นสามม่กว่าศีลส0บแต่เป็นพระภิกษุก็มากขึ้นไปกว่า227นั่นอีกก็เป็นความเป็นปะกะติของบุคคลบุคคล น, นั้นในฐานะ น, น, น, นั้นนั้นจะรู้ได้ต้องอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันหมายถึงมีอาชีวะร่วมกันสเสมอกันเข้าไปคลุกคลีกันอยู่ด้วยกัน เห็นกันว่าเขาทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเห็นกันว่าเขาพูดยังไงเขาไม่พูดอะไรทางกายทางวาจาดูดูได้ด้วยตาเรานี่แหละจะเห็นได้นี่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เขาอยู่ต่อหน้าธารกรรนันในเวลาที่เขาอยู่ในที่ลับด้วยเขาทำอะไรเขาไม่ทำอะไรอยู่ร่วมกันขนานั้นนะถึงจะรู้ว่าเขามีศีลหรือไม่พวกเราเนี่ยบา ง, งีจำบ้ังที่สาคัญสาคัญเลย มักจะฟังคนอื่นฟังว่าไอะเขาว่าคนเนี้ยเป็นยังไงโอคนนี้เหรอเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ปะ่ะแต่ว่าในข้อที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่เกี่ยวกับศีลนะเออเกี่ยวกับความบริสุทธิ์นะเกี่ยวกับกำลังกิจกาลังใจหรือปัญญาเนี่ยเขจะบอกโอ้ น, นี่มีปัญญามากเลยหรือว่าคนนี้เนี่ยเขามีศีลมากเลยหรือว่าน้อยก็ตามนะโอคนนี้ก็ไม่มีปัญญาเลย คนนี้เลยเขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้คือไอ้ที่ขอบพูดเนี่ยเขารูา้แดงไงเอาเขก็ฟังคนอื่นม่ดีกทีหรือก็ดูนิดหน่อยอถ้าดูแค่อ่านข่าวใช่ไหนิดหน่อยแล้วมันตรงกับหัวข้อนี่ไหมไปอยู่ร่วมกันม่ะก็ุมใหม่แล้วก็ดูข่าวนิดหน่อยฟังดูเขาพูดอะไรตามใน youtube บ้างตามเนื้อข่าวบ้างแล้วก็สรุปว่าอะไรออคนนี้มีศีลหูคนนี้ไม่มีศีล โอ้คนนี้มีปัญญาคนนี้ไม่มีปัญญานะี่คือพูดถึงหัวข้อความบริสุทธิ์กําลังจิตใจแล้วก็ปัญญาด้วยนะคือถ้าเพียงดูแต่หัวข้อข่าวดูแต่ว่าเออคนหนึงก็วายยังไงฟีบแตกยังไงเราไปเจอเขาครั้งสองครั้งแล้วคุณจะฟันตรงเราไปเลยว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลเนี่ยมันไม่ได้นะท่านฟังมันจะคลาดเคลื่อนมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะจริงๆจะรู้ได้ว่าเขามีศีลหรือไม่ต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้น้คนที่เขาพูดมาว่าคนนั้นเขาไม่มีศีลหรือเขามีศีลเนี่ยคุณไปอยู่ร่วมกันเปล่าก่อนคุณรู้ได้ไงบริไฟข้อมูลดูโ อ, อ้ฟังเข้ามาโ อ, อ้อ่านจากข่าวโ อ, อ้ข่าวกรองด้วยนะมัรู้มันกลองกันยังไงถ้าไม่ได้กลองด้วยการอยู่ร่วมกั น, นมันไม่รู้หรอว่า ใครมีศีลจริงหรือไม่มีศีลจริงกรองมาอาจจะกรองเอาความเห็นมาก็ได้ไมันได้กรองเอาข้อที่จริงมาหรือกรองมาเอาข้อที่จริงแต่เอามาไม่หมดเอามาไม่ครบเอามาไม่ถูกงนี้มันก็ไม่ได้ก็จะได้ข้อมูลที่ขลาดเคลือ่อนีนตัวเขานะว่าก็มีศีลหรือไม่ต้องอยู่ร่วมกันต้องอยู่เป็นเวลา น, านานด้วยไม่ใช่นิดหน่อยเจะรู้ว่าภิกษุรูปนี้มีศีลหรือเปล่า ก็ลองไปอยู่วัดท่านดูไปอยู่วัดท่านดูสักเวันสิวันดูท่านทำอะไรท่านกินอะไรท่านเดินไปไหนมันน้อยไปมันนิดหน่อยอคนที่เขาจะมาดูพระบรุทรเจ้าว่านี่คุณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่ไปตามดูอยู่หกเดือนนะดูฟังเป็นลูกศิษย์ของพระรีพามเป็นหนึ่งในคนที่แต่งโสระสะปัญหา ไปตามดูพระพุทธเจ้าอยู่ต้องหกเดือนเพื่อที่จะได้ข้อสรุปว่าเออป็นยังไงที่ว่าระยะเวลานานไม่ใช่นิดหน่อยเนี่ยจำฟังมันแล้วแต่ว่ามันมีส่วนประกอบอื่นหรือไม่อย่างไรจนแต่ละคนกาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวจะค่อยมาพูดถึงระยะเวลาในหัวข้อ น, นั้นอีกทีนึงเอาตรงหัวข้อศีลก่อนว่าต้องอยู่ร่วมกันนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมกันฟังก็มาไม่ได้นะ แล้วถามว่าไอ้คนที่เขาพูดเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันด้วยหรือไม่ด้วยนะเออถ้าจะให้คนอื่นไปสอดแนมแทนให้เกาไปอยู่ร่วมกันดูรู้ว่าเป็นยังไงค่อยมาบอกเออนี้เรื่อข่าวกรองจริงแต่นี้ตรงนั้นจริงหรือไม่ต้องใช้เวลานานต้องมีการมนสิการต้นรู้ปัญญาด้วยนะเหม่อนกัต่อไปอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวเราหนีพอคนอื่นแล้วใช่ไหมจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันคือศีลตัวเราล่ะ ตัวเราเนี่ยมีศีไหมก็ตัวเราอยู่ร่วมกับตัวเราเองมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะคุณจะรู้ไหมว่าคุณมีสีหรือเปล่าคนเราตัวเองนะท่านฟังมันมักจะเข้าข้างตัวเองบ้าใช่ไหมเอาเราอยู่ร่วมกันกับตัวเราเองตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็เราก็มีศีอยู่นะก็มีส่วนที่มีก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่มีก็อาจจะไม่มีบางคนอาจจะเล่าบ้างอะไรบ้างเอากินเพ ร, ะเราะอะไร ของคไม่ได้กินบ่อยกินบ้างเวลามีงานแตบก็ไม่ถึงกับเมาอ่ะอันนี้ก็จึงต้องใช้การมานัศิกาด้วยตัวเราเองอยู่ร่วมกับตัวเราเองเราติเตียนตัวเราเองด้วยศีลที่อยู่ในตัวเราได้หรือไมล่ล่ะเอ้ยนี่มันมีเหตุอย่างนี้เออมันจะเรียกว่าข้ออ้างก็ได้นะทุกฝั่งนะแต่มันจึงต้องมีการทําในใจพิจารณามานัศิกาไงเคสอยงส่งว่าถ้ากินเหล้านิดหน่อยไปตามพิธีตามงานอะไร ไม่ถึงกับเมาไม่ใช่ว่าเพราะว่าอยากกินแต่ว่ามันก็จําเป็นกินอาจจะจิบๆนิดหน่อยเฮ้ยอย่างนี้จะไปบอกว่าเขาผิดศีลเฮ้ยตัวเรารู้ได้ตัวเราเองนะว่าเราก็สมรมในการดื่มน้ําเมาอย่างเงี้ยอย่างงี้มันไม่ผิดศีลหรอกทุกฝังเรางหัวข้อในการสรํารมดื่มน้ําเมาก็มีไม่ได้พูดเพ้อเจ้อพูดโกหกพูดคําหยาบหรือพูดสอบเสียดนะเออก็รู้ได้กว่าเรามีศีล ด้วยการมนัส ก, การไม่ใช่แค่ดูเพียงผิวเผินก็ถือแกว่าเลามีรูปถ่ายลงมีคลิปจิบเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนพาดหัวข่าวโซเชียลมันเอาดีนะทาังนะเพราะจะติเขาเรื่องสีอย่างเงี้ยอ่านการเมืองคนนี้โกหกพระรูปนี้ผิดศีล น, น, นกธุรกิจคนนี้ไม่สะอาดก็ดูหลักฐานนิดหน่อยบ้างดูรูปนั้นนี้บ้างแคปเจอร์บ้าง มีคนก็พูดนะทุกท่าจากเทวดาเป็นหมานี่แค่คืนเดียวนะไซโซเชียลหรือจากหมาเป็นเทวดาก็คืนเดียวมือกันโซเชียลเวลาทัวลงงานเข้าปึ๊บนี่เปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันควันเทวดาเป็นเรื่องของศีลเรื่องของความบริสุทธิ์โธดูได้แป๊บเดียวบ้างไม่ได้ใช้เวลานานไม่ได้มานัสิการมันไม่จริงทุกท่าคือมันไม่แน่อจะจริงก็ได้ อาจจะไม่จริงก็ได้แต่จึงยกหัวข้อนี้มาว่าศีลต้องอยู่ร่วมกันนะจึงจะรู้ตัวเราพิจารณาดูตัวเรามีศีลตดเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่เราอยู่ตัวเรามันต้องนานโอเคเรารู้อยู่เราไม่มีศีลข้อนี้เรามีศีลข้อนี้เออเราก็ค่อยตั้งตนในศีลข้อที่เรามีเราก็ค่อยพัฒนาในศีลข้อที่เราตดเตียนตัวเราเองได้ คือประการที่หนึ่งทุกฝังเรื่องของศีลถัดมาความบริสุทธิ์พึงรู้ได้โดยถ้อยคำความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงความสะอาดในการดำเนินชีวิตรู้ได้ด้วยคาอย่างไรสะอาดอย่างไรอธิบายถึงการพูดด้วยถ้อยคำว่ากับสองคนนั่นคือตัวต่อ ต, ตัวพูดกันพูดยังไงกับสองสามคน พูดยังไงกับกลุ่มนี้พูดยังไงกับคนลหลายๆคนพูดยังไงดูตรงนี้นะดูอะไรก่อนดูว่ามันเหมือนกันไหมเช่นถ้าพูดกับคนในบ้านคนใช้พูดไม่ดีเลยใช้ศัพส์มสมปยาภาษาพอ่อขุนรามแต่ตพอนพูดกับแขกคนข้างนอกพูดกับสื่อลงโซเชียลพูดดีมากเลย พูดวาจาหนีปราบปลื้มใจอ่ะอย่างนี้ไอ้การที่ว่าเขาเป็นคนอย่างงี้นา่าดีอย่างนี้มันมันไม่ใช่งไงมันไม่บริสุทธิ์ละมีความไม่บริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องมีฮิดดินอะเจนดาอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงมีวาระซ่อนแฝงที่ซ่อนเอาไว้ไม่รู้คืออะไรก็มันก็ไม่บริสุทธิ์และไงอาจจะแบบว่าต้องการการยกย่องชื่อเสียงลาบป้าใจสีคะแนนหรือว่า ความอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอะไม่รู้ร่ะเพราะถ้ามีความไม่หลงกันทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งกับบุคคลนี้บุคคลอื่นลักษณะนี้คือต้องมี hidden agenda ต้องมีวาระซ่อนแฝงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนทีนี้นะก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่แป๊บๆนะหลายๆครั้งมีหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมเราก็ต้องมานัสิการด้วยนะแต่ในใจโดยเครครวรให้ดี ต้องด้วยปัญญาด้วยนะเออสถานการณ์นี้นับได้สถานการณ์นี้นับไม่ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์กันดูในช่วงรอบหลายปีเป็นยังไงยังไงจึงจะค่อยรู้ได้ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้โดยถอยคำคนเรามันมักจะมองผิวเผินนี่เป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาละตะบูฟังเขาบอกนิ่คนคนนี้เขาโตเคร่งมากเลยโอเคเคร่งอยู่ต่อหน้าคนเดินไงพราะอยู่ลับหลังแล้ว เราก็จะมีเวลาพักช่วงเวลาที่ไม่ได้ต้องทำทุกกิริยาวันหนึ่งพักเบรกสีชั่วโมงบ้างหรืออย่างชมพูกาชีโวกนี่อยู่ต่อหน้าคนนี่ทาเป็นกินอากาศยืนขาเดียวแต่พอผู้คนกลับบ้านไปหมดแล้วนอนบนพื้นกระดานเปล่าๆรับ ป, ป, ประทานอุจจาระไม่มีตบะเหมือนเก่าที่ได้โฆษณาไว้ น้าอย่างหลังอย่างละก็รู้ได้แล้วว่าศีลไม่เป็นปกติแล้วหรือว่าวาจามีความปัจจุบันที่ไม่สอาดแล้วก็ต้องมีวาราซ่อนแฝงในที่นี้ก็ต้องการลาบปจัจจัยสีชื่อเสียงสันเซินเยนยอปัจจัยสีเขาไม่ต้องการล่ะเพราะเขาก็กินอุจจาระอยู่แบบสมช่อพอใจอยู่อย่างนั้นแต่ว่าต้องการชื่อเสียงฐานะว่าหนิฉัน เป็นคนเกร่งอย่างนั้นอย่างนี้จะรับการยกย่องเสียงสรรเสริญถ้าต้องการอย่างนี้ก็จึงมีความไม่บริสุทธิ์บางส่วนหรือถ้าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็ต้องเหมือนกันทั้งต่อหน้ารับหลังระหว่างตัวต่อตั ว, ต ว, ตวสองสามคนกับกลุ่มคนใหญ่ๆพูดกับคนใช้พูดกับคนสวนพูดกับคนที่ต่ำกว่าพูดกับคนที่เสมอกันพูดกับคนที่สูงกว่า ต่อหน้ารับหลังเนี่ยต้องดูกันป่านนี้เลยนะทุกั่งนะเออถ้ามันเหมือนกันเราลงกันได้ในลักษณะคำพูดจาในลักษณะหัวข้อที่พูดถึงเออนี้มีความปริสุทธ์นะบางคนทุกฝั่งกับเจ้าเคยเจอคือคุยกับคนนี้ถึงบุคคลที่สามอยู่ตัวอย่างเช่นนายดำคุยกับนายขาวอยู่ นายดำคุยกับนายขาวเรื่องนายแดงเนี่นะโอ้ยเละเลยนายแดงนี่บอกนายขาวว่านายแดงเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นไม่ดีนั่นนี่น่นนายดำบอกนายขาวนะเลอลอะเลอะอยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นได้ล่ะนายแดงโทวไม่น่าเลยนะนันนีโนทนไปใช่ปะกตามคำที่นายดำพูดนี่คือคุยโทรศัพท์กันนะพอว่างสายเสร็จปุ๊บเอ้านายแดงโทรมานายแดงโทรมาหานายดำ นายดำก็ตกใจนิดหนึง่งว่้ยนายแดงโต ม, มาอ่ารับสายนายแดงเลยรับสายนายแดงเสร็จบอกโอ้นายแดงคุณดีอย่างนั้นอย่างงี้อย่างงดไอ้ไอ้ที่พูดไปกับนายขาวมเมย่อกี้ยตรงข้ามหมดเลยนะท่าฝั่งที่ว่าเขาไม่ดีว่าอย่างไงเนี่ยคุยกับนายดําใช่ปะ่ะแต่บอกอยู่ต่อหน้านายแดงจริงๆริงพูกับนายแดงว่าโอ้คุณดีอย่างนั้นอย่างงี้ตรงข้ามกันกับที่ได้คุยกับนายขาวไว้ทั้งหมดเลยนะอา้าวทําไมกับคนนี้พูดอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันหนังคนละมวลเนี่ยเขจะปะเอ้านี่คือโกหกแล้วไงเอาโกหกแล้วมันโกก็ส่วนหนึ่งละยังบางทีพูดยุยงให้แต่กันพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบนี่คือท่านแยกเรื่องสัมมาวาจามาไว้อีกส่วนหนึ่งเลยเพราะจะเป็นคุณธรรมที่จะบอกได้ว่ามีความบริสุทธิ์มีความสะอาดในการดําเนินชีวิต หรือไม่มีวาระซ่อนแฝงอะไรหรือเปล่านี่สำคัญดูได้ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ใช้เวลาผู้ปาบนะต้องเกิดขึ้นหลายๆครั้งความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามนี่ต้องใช้ความไข้ค ร, ครวนะเพราะบางทีนายดำก็อาจจะต้องเอาตัวรอดก็ได้ใช่ล่าถ้าบอกว่านายแดงเ็เป็นคนโมโหร้ายลงไม้ลงมืออุย้ยถ้าบอกว่าไม่แบบแผล จนสีข้างถลอกแล้วไปพอดีอาจจะถูกทําร้ายได้หลายด้กว่าต้องรวยลายไวฮะต้องหาช่องหารูพูดเอาตัวรอดให้ได้ละ่ะหมายถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้บ่อยป่ะก็ครั้งสองครั้งใช่ไหมเอออย่างนี้ก็แบบว่าพอออมแอมไปได้เพราะว่าโลกนี้บางทีมันก็มีภัยในหลายๆด้านแต่ว่าถ้ า, บ, า, ถาบ่อยๆนะแล้วก็กับหลายๆคนต่อหน้าอย่างลําหนังอย่างเองอันนี้ เราจะรู้ในยะได้ละ ว, ว่ามีความไม่บริสุทธิ์มีวาระอะไรซ่อนแฝงมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านี่เ hey, รู้สึกว่ามันเหมือนมีเรื่องอะไรนะผ ม, มก็แบบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในกอไปไม่ได้มีเดียวลับไม่ได้มีแผนสองเอ๊ hey, แต่ว่าคือมันดูรู้ได้นะท่านฟังเราไม่ใช่ว่าแปลบๆนะต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าผิวเผินนะบางคนก็กังวลคิดไปเพ้อเจอนั่นนี่ มันนะัสิการไม่ถูกก็ไม่ได้นะเราก็ต้องดูดูกันยาวๆใช้ปัญญาด้วยความบริสุทธิ์จึงจะรู้ได้โดยถอยคำตัวเขานะทีนี้ตัวเราด้วยตัวเราตัวเรามันเป็นยังไงเราคุยกับคนนี้เราคุยกับคนนั้นเราคุยคนโน้นหรนนื อ, อพิจารณาตัวเองนะบางคนนี่คุยกับคนที่ต่ากว่าเนี่ยโอ้โหอ ใช้แบบยุรยาท่าทางอะไรต่างแต่ว่าพอกุยคนที่สูงกว่ามีอำนาจมากกว่าอีกแบบหนึ่งนะตัวเราเป็นอย่างนั้นไหมอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือมารยาทอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะแต่หมายถึงเนื้อหาที่พูดว่ามันตรงกันไหมต่อหน้ารับหลังเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นว่าถ้าเรายังมีการนินทาคนอื่นอยู่ตัวนินทาก็อยู่ อันนี้มันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่ไม่บริุทธิ์นะพูดถึงเขาอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนอย่างงั้นอย่างนี้ยงงอ น, นไม่ดีนะในข้อไม่ดีแต่บอกเข้ามาถึงเสร็จเบิ่บนี่แม่นินทาเจ้านายบางทีมันก็สนุกปากใช่ปะละ่ะเฮ้ยกี่แซงว่าเราเป็นคนไม่สะอาดนะเรามีวาระซ่อนแฝงนะซ่อนแฝงอะไรเวลานินทาเจ้านายซ่อนแฝงว่าไม่ได้ชี้คุมช้ำให้เขาเราต้องการเงินเา้าต้องการนี้เขา ยังจ้างเราอยู่หรือต้องการที่เขาชอบใจพอใจแต่ตัวเองนี่ก็คิดไม่ดีกับเขาไงนี่คือลักษณะวาระซ่อนแฝงที่อยู่ในจิตใจของเราก็คือกิเลสนั่นเองเราดูรู้ได้ตัวเราเอง เ, เราอยู่กับตัวเราเองเป็นเวลานา น, นทําไมเราจะไม่รู้ว่าเรามันมีวาระซ่อนแฝงมีความบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรซึ่งคําว่าบริสุทธิ์หรือความสะอาดนี้ไมายจ่ะโจงเอามาเรื่อง ของถ้อยคําดูฉากว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องคาพูดไหมเนื้อหาที่พูดไหมลักษณะการพูดแตกต่างกันไหมเราย่างภาษาท่าทางอะไรต่างๆอีกด้วยจะบอกได้ที่ว่ารู้นี่นะทุกฝั่งคือไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องนะเช่นเราจะไปแบบว่าคอยหาเรื่องจ้องจับผิดยกโทษเขาขึ้นมาเหมือนอย่างพี่พวกปริภาโชคนี่ยเขาจะมาทากับพระบุตา จะมาหาโทษมาหาช่องไงโดยกันที่ว่าเออมาคลีอยู่ด้วยมาคอยสอด ส, ส่องดูท่านพูดอะไรท่านอยู่ยังไงกินยังไงเพื่อที่จะมาจับผิดมาหาโทษไม่ใช่งี้ย น, นะแต่เราต้องการรู้ว่าเขามีคุณธรรมนี้หรือไม่ไงถ้ามีหรือไม่มีแล้วเป็นยังไงดูได้ไงว่าเป็นคนปานหรือบัณฑิตชาวข้องเกี่ยวเสวนาไปมาหาสู่หรือไม่คือดูข้อนี้ไม่ได้ว่าจะมาจ้องจับปดกันหรือประการที่สอง ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำในประการที่สามตูฟังกำลังพึงรู้ได้ด้วยครามีอันตรายกำลังนี่คือกำลังอะไรกำลังใจกำลังใจว่าเขามีกำลังใจสูงหรือไม่เวลาจะดูกำลังใจต้องดูเรื่องคราวอันตรายอันตรายคืออะไรโลกก็ทำแกันตูฟังเอาส่วนที่เป็นสอย่างนี้ เสื่อมญาติเสื่อมโพคาซั์และเสื่อมเพราะโรคภัยไข้เจ็บนี่หลกัหลกๆมันก็อย่างนี้แหละเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาฮุกคนเรานี่มันเจออย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเวลาอยู่ในมีอันตรายละมีเรื่องให้กระทบใจละเสียใจละแล้วถ้าเศร้าโศกร่าให้ทุบอกชกตัว ร่ำไรลำพันธ์ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอ้อเลอะเลือนสติปัญญากลายเป็นคนละคนไปแบบเป็นซึมเศร้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปกินไม่ได้นอนไม่หลับไปอ่านี่แสดงว่าเขาไม่มีกาลังใจถูกรื่องกระเตือนใจแล้วก็เศร้าไปเลยหรือในทางตรนข้ามเราก็จะดูได้นะทุกฟังนะว่าถ้าได้ลาบ ได้ยศมีสุขได้รับการสรรเสริญแล้วแหมข้อนี้ก็ดีใจลุ่มหลงเปลิดเพลินพูดแต่สิ่งนี้เหอนะอยู่ได้อยู่เรื่อยนี่อ่ะอันนี้ก็อาจจะพอบอกได้นะแต่ จ, จะไม่ได้ทั้งหมดละ่ะอาจจะพอบอกได้ว่าแต่เวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศมีนินทาทุกแล้วก็ อ, อาจจะตีโพดีพายไว้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่น่ะอันนี้ก็ ตังเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนแล้เก็บเป็นข้อมูลไว้ในการพิจารณาเรื่องโลกธรรมแปนี่เพื่อให้เกิดผลเนี่ยทุกฝั ง, งเกิดผลมากเวลามีความเสื่อมจากโกพกซั์ความเสื่อมจากญาติหรือความเสื่อมเพราะโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สามารถที่จะยังคงสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจอยู่ได้อที่ว่ามารักษาจิตใจนั้นก็คือกําลังจิตสูงนั่นเอง หมายถึงไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกในที่นี้คือภาษาที่ไม่น่าพอใจอะไรที่มันเป็นสุขเนี่ยทุกฝั่งมันก็ทนได้ง่ายเพราจึงเรียกว่าสุขก็สุขเนาะเพราะว่ามันทนได้ง่ายแต่ทุกเรกว่าทุกเนี่ยเพราะมันทนได้ยากทุกเวทนาเนี่ยมันทนได้ยากกว่าสุขเวทนาเวลาเจอทุกแล้วคุณยังทนได้ไมละ ถ้าเจอทุกขเวทนาแล้วทนได้มันก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกาลังใจสูงถ้าเจอสุขเวทนาแล้วทนได้ในทั้งความที่ไม่เลอะเปลินไปหรือมางทีอาจจะตั้งสติสัมปชัญญะอยู่ได้หรือเห็นความไม่เที่ยงหรืออาจจะเปลินไปบ้างลุ่มหลงไปบ้างแต่มันมันอาจจะรูได้ไม่ร้ายไปสินเพราะว่ามันทนได้ง่ายสุขเวทนานี จะดูกันจริงๆต้องดูตรงจุดที่เป็นทุกขเวทนานี่คือดูคนอื่นใช่ไหมทีนี้มันดูตัวเราบางดูตัวเราบางตัวเราเป็นยังไงเออถ้าตัวเราเจอโรภคภัยไข้เจ็บที่มันรักษาไม่หายแล้วเราก็หนักด้วยเราก็ต้องใช้เงินมากด้วยดี๋วบางทีญาติเราก็ได้ตายไปเพราะโรคนี้แล้วด้วยเสื่อมญาติเสื่อมบกรัพย์เสื่อมเร้าโรค ให้จิตใเราวันไหวไหมถึงขนาดว่าร่ำให้คร่ำกรวนทุกอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อกินไม่ได้นอนไม่หลับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดบังทีเรเป็นโรคซึมเศร้าใช้ยาแล้วใช้ยาอีกปรึกษาจิตแพทย์นั่นนี่จริงๆคุยกับจิตแพทย์หรือคุยกับพระเนี่ยเขาคุยได้หรอกนะ ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคน ด, ดีๆก็ไปคุยกันได้อยู่แต่ว่าถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแล้วนี่นะอ่าแสดงว่ากำลังจิตเรามันน้อยนะเราต้องฝึกกำลังจิตขึ้นมาหรือถ้ามีพฤติกรรมอย่างที่ว่ามันสกรูกก่ก็อย่าให้เป็นนานนะ่ะอาจจะเป็นแค่ครึ่งวันวันหนึ่งบางคนอาจจเป็นสองสาวันโอเคนะก็พอแล้วนะ่ะอ่าก็สี่ห้าวันไปวันครึ่งวันไป กรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วให้ดำรงตนไปตามปกติไม่ต้องร่ำไรไม่ต้องทุบกอกทุกตัวไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเพราะว่าความเศร้าโศกเป็นต้นมันมีแล้วไม่เคยประโยชน์อะไรอา้าคุณมาคิดตรงนี้ได้ไงเพราะใคร้ร่วนเรื่องโลกกระทำแปดคนเรามันจะเห็นได้ว่า ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยความเศร้าโศกด้วยการที่เราซึมเศร้าด้วยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์น้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วคุณจะไม่เห็นตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาอัตภาพในโลกธรรมแปดตามความเป็นจริงว่าเออสิ่งเหล่านี้มันก็หมุนเวียนไปตามโลกนะคือโลกธรรมโลกก็หมุนเวียนไปตาม แอย่างนี้นะคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศถูกนินทาได้รับการสรรเสริญมีความสุขมีความทุกข์หมุนเวียนไปตามนี้โลกเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้จึงจะเข้าใจว่าประโยชน์ด้วยความเศร้าโศกไม่มีประโยชน์ด้วยความที่ว่าดีใจลุ่มหลงเพลิเลนก็ไม่มีไม่มีแล้วเป็นยังไงก็ ทำอะไรก็ทําไปนะวันนี้ทําอะไรก่อ็ทําอันนั้นต่อไปอันไหนมีประโยชน์ก็ทําไปไห น, นไม่มีประโยชนก็อย่าทำนี่ก็รู้ถึงสถานะของตัวเองทําไปก็ได้ครวนเรื่องโลกกระทำแปเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้หมุนไปตามโลกเราจึงจะสามารถที่จะมีความเข้าใจไม่เศร้าโศก ค, ความเข้าใจตรงนี้คือปัญญางไงทุกฝังที่จอมมาในรูปของกําลังใจ ความเข้าใจคือปัญญานะปัญญาก็เป็นหนึ่งในกําลังใจที่จะทำให้เราทรงสติสมัมปชัญญะดําเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติในความที่ว่าไม่เศร้าโศกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งไม่น่าพอใจนั้นพูดง่ายๆคือไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามสศขดามทุกข์ไม่สะดุ้งไปตามความได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศหรือเสื่อมยศนั้นไม่สะดุ้งคือกําลังจิตที่มีมาก แนวเรื่องนี้ทําฟังก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะมาดูกันได้โดยไม่ใช่ว่าดูแค่เหตุการณ์เดียวไม่ใช่ว่าดูที่เรื่องเดียวปีเดียวแต่ไม่ต้องดูหลายเหตุการณ์เชื่อมโยงกันมาแล้วก็ต้องมีการมานาัสการด้วยเห็นเขาร้องไห้นิดหน่อยก็จะบอกว่าเออคนนี้ไม่มีกําลังใจหรือเห็นบางทีเขากรธขึ้นนิดหน่อยบอกคนนี้กําลังใจน้อยทําไมแบบบึ้ ม, บ, มบั่มบึ้มบั่ขึ้นแต่บางทีมันก็ หลุดไปแค่วันก็หนึ่งวันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นไปได้มันก็ต้องใช้เวลาดูต้องมีการใกล้รค ร, รนดูแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการตรวจดูถึงจะรู้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือตัวเราเป็นอย่างนั้นไหมไอ้ตัวเรานี่เหลืมันสําคัญว่าตัวเรานี่เป็นผู้มีกําลังหรือไม่กําลังจึงจะรู้ได้ในคราวมีอันตราย ดังนั้นจะมีคนที่มักจะพูดกันนะทุกฝั่งว่าเฮ้ยมันต้องมีผัสสะนะคือถ้าเราไม่มีผัสสะเนี่ยมันเราจะมาตรวจสอบดูได้ไงว่าเรามีกําลังจิตแล้วล่ะไม่ใช่อย่ไงนะทุกฝั่งมันก็ต้องมีอันตรายมีผาาัสะคือภาษาในที่นี่เป็นคำทั่วไปนะจริงๆครับเจ้าควรจะกําหนดบทเพี่ยนจะให้มันระด ก, กุมกว่านี้แต่ว่าเจออันตรายหรือจะเป็นสุขเาชนาก็เป็นผัสสะอย่างหนึง่งเป็นทุกขภาชนาก็เป็นผัสสะอย่างหนึง่ง แต่คุณจะรู้ได้ว่าเรามีกําลังจิตหรือไม่อ่ะมันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายเจอทุกขภาชนาเจอเรื่องทดสอบเจอความไม่แน่อใจเสียงเงินบ้างอย่าตายบ้างถูกทําลายชื่อเสียงบ้างเป็นโรคที่มันรักษายากๆบ้างจิตคุณยังทรงดีอยู่ได้เหมือนเดิมเปล่าถ้าไม่โดนพวกนี้มาเป็นเครื่องทดสอบไม่รู้นะเฮ้ยก็ทํำมันอยู่ตลอดแต่ไมจะไม่ได้ล่ะ มันพักทฤษฎีเฉยตามเท็กซ์บุ๊กใครๆก็ตอบได้ปะก็ไปสูศุก็มีอยู่แล้วนี่เจออย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ย ส, ยสบายๆนะใครๆก็รู้แต่รู้แล้วเจอจริงๆอ่ะมันมันไปไหวไหมล่ะเออกําลังจิตกําลังใจมันมีจริงไหมล่ะในคราวมีอันตรายไม่ต้องเจอแน่นอนดูฝังฝันตรงให้ได้เลยเนอะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดูกุเวชนานี่เมื่อจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจภาษาอะไรก็ตามที่มันไม่น่าพอใจจะบอกว่า้ไม่มีเลยโธ ด, ดูพระพุทธชจ้าดูไม่โดนด่าเหรอโดนแน่นอนพระพุทธชานี่โดนหนักด้วยโดนดาน่านี่แล้ท่านไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหรอสุขภาพดีตลอดจนถึงแปดสิบปีโอ้ยปีที่แปดสิบนี่ง่อมที่สุดเลย โดนหนักที่สุดเลยถายเป็นเลือด ก, กระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกเดินจนงอมงก็ยังต้องเดินดางอยู่โอ้ยแน่นอนรคอะไรแค่เจ็บนี่เพราะทรมานกายมาตลอดแล้วไม่ได้ต้องเสื่อมญาต์นะพระเจ้าหนิ อ, อ๋อไม่รู้หรอพระเจ้าอาชาตศัตรูเนี่ก็ไปฆ่าล้างโคดพวกสากระยักทั้งหมดน่ะเผาบ้านเผาเมืองเขาฆ่าแม่แต่เด็กที่เกิดในวันนั้นเรืงลูกหลาน ชาวสากยานะเอโท ถ, ถูกฆ่าล้างโกดอย่างนี้นี่คือเครื่องทดสอบสุดๆเลยล่ะของพระบุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณจะเอาระดับนั้นอนะก็ต้องโดนอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้คนธรรมดาทั่ ว, วไปที่หวังความเป็นอริย์บุคคลเดีย๋ยวาไปคิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันต้องราบรื่นแล้วฉัมาปฏิบัติธรรมฉันฟังธรรมทุกอย่างต้องปรยด้วยกรีบกุลาลอยู่เป็นพรมนุ่มๆ น, นะสามนิ้วแล้วก็เดินนี่เหมือนเท้าไม่ติดดิน ลอยไปเขาเรียกว่าเสียนไงมันไม่เป็นหรอกหวกังยังไงคุณก็ต้องโดนโดนด่าโดนใส่ร้ายโดนก้าวข้ามเรื่องยศตำแหน่งโดนโรคภัยไข้เจ็บยาต้องตายเงินต้องเสียถูกหลอกนัน่นนี่โดนแน่นอนฝันตรงให้แต่ไม่ใช่ให้พรนะทุกฝังนะแต่หมายถึงว่าเอาความจริงมาพูดให้ฟังนะีคือก็ไม่ใช่ว่าแบบ จะใส่ขนมหวานห่อให้กินดีๆน้ําตาลเนี่แต่มันเข้าไปทําลายระบบต่างๆในร่างกายอะ่ะถ้าจะพูดคําสวยหรูให้พอแล้วคุณทําบุญแล้วคุณฟังเทศแล้วคุณนั่งสมาธิแล้วทุกอย่างดีขึ้นหมดเพี้ยงแหมก็ここอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละตะวังแต่ความจริงมันเป็นยังไง อ, อ, อ่ะโลกมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมอะ่ะพระพุทธเจ้ายังโดนแล้วเราจะไม่โดนหรอ ชัวเรามาทําความเพ้าะฉันเราเตรียมการรับมือกับมันด้วยปัญญานั่นดีกว่านะแต่ความจริงบางคนบางทีรับไม่ได้นะทุกฝังนั่นคือกําลังใจก็ไม่ไหวศาสนานี้ไม่ได้สําหรับทุกคนนะทุกฝังสําหรับเฉพาะคนที่มีปัญญานะศาสนานี้ไม่ได้สําหรับทุกคนนะทุกฟังเฉพาะสําหรับคนที่มีความเปลี่ยนนะศาสนานี้ไม่ใช่สําหรับทุกคนนะเฉพาะสําหรับคนที่มีศรัทธานะ มีศรัทาความเพียนปัญญาเอาใส่สติเข้าไปด้วยใส่สมาธิ้าไปด้วยมันดึงจะได้นะ่ะจะบอกว่าง่ายมันไม่ง่ายอยู่แล้วเอาก็เอาอะไรที่มันง่ายๆไม่ดีหรอแต่เมืทางง่ายแล้วมันไม่พ้นน่ะง่ายแล้วมันไม่รอดง่ายแล้วมันก็ยังหวานหวานเฉยแต่มันมีโทษตามมานี่มันไม่คุ้มหรอกแต่ว่าถ้าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้คุ้มค่ากว่าประโยชน์มันสูงไง ในความที่ว่าถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราสามารถที่จะไม่สะดุ n g ได้เอมีกําลังจิตกําลังใจในการที่จะอยู่กับมันได้ไม่เศร้าโศกไม่ร่ําไรไม่คร่ําครวญมีสติสัมปชัญญะเข้าใจความหมายของชีวิตได้อยู่กับมันอย่างนี้มีความสุขกว่าังได้ประโยชน์กว่าประโยชน์ทั้งตนเองประโยชน์ทั้งผู้อื่นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันนี้ประโยชน์ทั้งในเวลาต่ อ, ตอไป ประโยชน์ไม่ใช่นิดเดียวมีประโยชน์มากด้วยสิ่งที่มันไม่ง่ายทำด้วยความยากลำบากถ้าทำได้มีประโยชน์มากแต่เปรียบเทียบกับสิ่งง่ายๆทำไม่ยากแล้วก็มีคุณค่าน้อยไม่ดีเราทำความเข้าใในข้อนี้เราฝึกกำลังจิตกำลังใจอย่าไปคิดว่าฉันปฏิบัติธรรมแล้วทุกอย่าง้องราบรื่น อ, อาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้ เพราะมันจะหมุนไปตามโลกาสันนิวาสไปตามโลกกระทำดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ธรรมดาเราฝึกกําลังจิตของเราต้องอาด้วยศีลสมาธิปัญญาหิริโอตปาวิรยิยะใส่ศรัทธาเข้าไปด้วยใส่ความเพียรเข้าไปด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นกําลังจิตกําลังใจของเราได้ถ้าเราเจอเรื่องกระเทือนใจเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจแล้วเรากระเทือนใจนี่รู้เรื่อยเลยว่าอู้กาลังจิตเรายัางไม่สูง เดินใจนิดหน่อยมันก็คนเรามันก็เป็นน่ะบางทีใช่ไหมแต่อย่านานถ้าเรารู้ได้ว่าออยังมีจุดที่ต้องฝึกขึ้นไปยังมีจุดที่จะพัฒนาต่อไปได้เพราะนั้นเราต้องคิดพิจารณาไว้ก่อนนะคิดพิจารณาไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนตเตรียมตัวไว้ก่อนโดยช่วยงยิ่งถ้าพ่อแม่เราแก่แล้วหรือคนที่เรารักจะมาพิจารณาดูเขาจากเราไปเนี่ยเราจะสะเทือนใจไหม เราจะร่ำให้คร่ำกรวนไหมถ้าเป็นอยู่สักส3มวันมันก็ยังโอเคเอาลดลงได้ไหมทำจิตได้ดีตั้งสติให้ถูกวันครึ่งวันโอเคไหมโอเคทำได้ไหมอย่าต้องเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนเดี๋ยวพิจารณาดูไว้ก่อนแสดงให้เราเป็นผู้ที่มีกำลังจิตกำลังใจสูงขึ้นได้แต่ในประการที่3เรื่องของกำลังใจจะรู้ได้ในครามีอันตราย ส่วนหัวข้อที่4ประการที่4นั้นคือเรื่องของปัญญาปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยกันสนทนาสนทนาต่างจากวาจาต่าหวังในหัวข้อที่สองเมืนอสครลที่บอกว่าจะบริสุทธิ์สะอาดหรือไม่ก็รู้ได้ด้วยการพูดจาด้วยคําพูดใช่ไหมการสนทนาต่างกันพูดตรงดีว่ว่าสนทนา น, นั้นจะเป็นลักษณะของการตอบปัญหาการที่แสดงธรรม แต่การพูดจานั้นก็คือในชีวิตรประจําวันคุณพูดเรื่องนี้คุณพูดเรื่องนั้นในการทํางานนั่นนี่มันคือหัวข้อประการที่สองที่พูดผ่านมาแต่พอมาในหัวข้อประการที่สี่เรื่องของปัญญานี่ที่เราจะรู้ได้ด้วยการส่วนตน่างนี่คือมีการแสดงธรรมมีการไล่เลียงมีการบอกตามลําดับหรือไม่อย่างไรมีที่มาที่ไปอ้า ง, อ, างอิงถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่อย่างไรมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง การนำไปใช้งานหรือไม่อย่างไรจะมีการบัญญัติอะไรที่มันเป็นหัวข้อน่าฟังเข้าใจได้ง่ายแยกแยะแจกแจงทำเนื้อความให้ปรากฏได้โดยย่อหรือโดยพิจารณาหรือไม่อย่างไรนี่คือลักษณะที่ว่ามีปัญญาหรือไม่แต่ตเปรียบเทียบไว้เหมือนกับกเรายืนอยู่บนฝั่งมีบึงมีห้วยหนองอยู่ มีปลาที่อยู่ในห้วย ห, หนองนั้นบึงนั้นว๊บขึ้นมาโบกขึ้นมานี่คือมันพลิกตัวนะมันว่าอยู่ข้างในมันพลิกตัวขึ้นมาผุดขึ้นผุดลงอยู่เงี้เขาก็ดูปลึกเดียวนี่รู้ได้เลยว่าอ๋อปลาตัวนี้นี่มันพั น, นุนี้มันตัวใหญ่แค่นี้หรือตัวใหญ่แค่ไหนความเร็วมันเพียงใดเป็นปลาพันอะไรดูจากกิริยาที่มันผุด ขึ้นมานิดเดียวนั่นแหะรู้ได้หมดว่าข้างล่างนี่เป็นยังไงมีปลาเยอะมากน้อยแค่ไหนนอกจากปลาแล้วมีกบ ม, มีเก็บมีจระเข้มีเต่าหรือไม่อย่างไรมันกินอะไรอยู่ยังไงมาที่นี่ยังไงบอกได้หมดนี่คือรู้รายการรายละเอียดต่างๆเห็นไหมว่าก้อนนี้มันไม่เหมือนกันกันกบเรื่องของคำพูดเรื่องของวาจาแต่บางทีคนนําก็จะรู้เข้าใจได้โดยการยกอุปมางไง บระพุทธายกตัวอย่างอวมมาในที่นี้เพื่อที่จะจ่อจงลงไปนะต้องหวังว่าคนเราจะรู้ว่าใครมีปัญญาไม่ได้ดูที่หน้าตาไม่ดูที่รูปร่างสวดทรงไม่ได้ดูที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แก่มากน้อยอย่างไรเป็นคนง่อยเสียขาหรือเป็นคนดีๆสีผิวดําหรือขาวไม่ได้ดูที่ตรงนั้นเลยนะต้องหวังนะบางคนดูดีๆหล่อเหลาสวยงามมีอวยว่าครบ แต่จะไม่มีปัญญาก็ได้หรือบางคนมีปัญญาอาจจะอยู่ในรูปร่างท่าทางที่เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ต้องดูกันพูดจาต้องแบบสนทนากันดูเราก็ไม่ใช่แป๊บๆนะต้องดูทั้งใช้เวลานา น, านทั้งด้วยการทำในใจต้องใช้ปัญญาดูถึงจะรู้ได้ว่าผู้นี้มีปัญญาหรือไม่ดูคนอื่นแล้วมาดูตัวเราดูตัวงมา ดูตัวเราดูดูตัวเราว่าเรามีปัญญาไหมกูดูสิว่าเราสามารถที่จะเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารเล่าเรื่องให้กูอื่นฟังเข้าใจได้เปล่านี่จะเป็นทักษะหนึ่งนะระหว่า ง, งในการที่จะฝึกเด็กให้เขามีปัญญามีมันสมองสูงนี่ก็ต้องพูดถึงทักษะในการที่จะ critical thinking ในการที่จะสอบถามคาถามในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ฟังแล้วคุณมาเล่าให้ฟังดูสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ที่ฝึกทักษะเด็กในการที่ว่าใจใเขามีปัญญาตัวเราจะฝึกให้ตัวเรามีปัญญาก็ลองอธิบายดูโล้ลองอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเออสามารถอธิบายได้ลึกซึ้งไหมประณีตไหมแยกแยะแจกแจงส่วนต่างๆโดยละเอียดได้หรือไม่ยกตัวอย่าง ให้คนนื่นเข้าใจเป็นยังไงมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบแจกแจงกําหนดขึ้นให้เขาใจได้ง่ายหรือเปล่านี่ตัวเราจะฝึกปัญญาคงตัวเราได้อย่างนี้ไอคนที่เขาเห็นรูปบบับแล้วเขาก็รู้เลยว่าปลานี่มันตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยเวลาในการฝึกเหมือนกันนะเราจะมารู้เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนนั่นเนี่ยทำเรื่องในเรื่องหนึ่งมาเป็นสิบสิปีนะจำฝังนะมันต้องเก่งขึ้นบ้างละ คุณทำกับข้าวอยู่คุณทำข น, นมอยู่คุณทำอาหารอยู่เป็นสิบปีมันก็ต้องเก่งบ้างหนะ้าคุณเป็นหมอคุณเป็นวิศวะทำงานนี่มาเป็นสิบปีมันก็ต้องมีปัญญาในเรื่องนั้นบ้างบ้างใช่ปะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์อ่านพระสูตรนั่งสมาธิมาเป็นสิบสิบปีมันก็ต้องรู้เข้าใจความบ้างละเออแต่นี่พอรู้เข้าใจความแล้วทำมาอย่างไงแสวงหาปัญญานี่มายัางไงเตรียมแก้ปัญหาอย่างไร เราเข้าใจเรื่องนี้ทบทวนดูนอะอันนี้มีที่มาที่ไปอย่างนี้อ่างถึงข้อนี้ข้อนี้ได้จากหัวข้อนี้แล้วข้อนี้อันนี้ถึงจะเป็นการพัฒนาปัญญามาตามเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองทุกวางในทั้งสี่หัวข้อนี้ไหลขึ้นไปนะว่าปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนากำลัง รู้ได้ในคราวเมื่ออยู่อันตรายความสะอาดความบริสุทธิ์รู้ได้ด้วยถ้อยคำส่วนศีลรู้ได้ด้วยกันอยู่ร่วมกันครั้ง4ประการนี้ไม่ใช่ปุ๊บปับด่วนสรุปตามที่อ่านข่าวเห็นในโซเชียลพฤติกรรมอย่างสองอย่างไม่ได้ต้องใช้เวลา เหลือนอกจากใช้เวลาแล้วบางจุดบางประเด็นที่ทําไมมันไม่มีแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันก็ต้องมีการมนัสิการการไตรตรองใกล้กรุนด้ยแยบกายเชื่อมโยงจุดต่างๆกันด้วยกันในเวลาที่เราเก็บข้อมูลมานั้นแล้ววิเคราะห์ด้วยปัญญาวิเคราะห์ด้วยปัญญาแล้วเราถึงจะรู้ได้ถ้าใช้เวลานิดหน่อยไม่ได้ใคร้กรวนไตรตรองให้ดีด้วยปัญญาข้อมูล น, นั้นไม่ถูก ไม่แฟนคนอื่นด้วยนะตัวเราด้วยนะหมายความว่าเอ้ท่านันนั่งสมาธิดูแล้วอย่างนี้เออฉันก็ทําสมาธิไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่มันไม่ได้เลยป่ะเออแหมท่านเขาได้บ้างนะนาทีสอนาทีเอาก็ได้บ้างไงใช่ไหมละ่ะถ้าเราบอกจะไม่ได้เลยเราก็ไม่แฟกับตัวเราเองเหมือนกันอนะว่าเราไม่ได้เลยเราไม่มีกําลังจิตเลยเราจะไม่มีปัญญาเลยจมหัวจมท้ายเลยเหรอ มันก็มีบ้างนะ่ะคนเราไม่มีปัญญามันจะไปอยู่ในโลกแดงมันก็มีบ้างป่ะก็ต้องแฟงกับตัวเองไงไอ้ที่ว่าเรามีบ้างหรือเขามีบ้างอาจจะไม่หมดไม่เต็มที่แต่พัฒนาได้แตวคนเรามันก็มีส่วนที่เป็นคนผ่านแล้วก็ส่วนที่เป็นบัณฑิตอยู่ในตัวเรางนั้นแหละอยู่ดีว่าจะพัฒนาส่วนไหนให้มันจเจริญขึ้นมาแต่เรามีปัญญาเรา ใ, รใกล้ครวนในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวฟังอยากว่าจะเอาหัวข้อที่ตั้งใจว่าจะมาพูดด้วยกันนี้ เวลาไม่วอแล้ววันนี้ก็จะมาพูดในสัปดาห์หน้าถึงความที่ว่าฐานะสี่ประการที่จะมาคู่กันหนึ่งในชนที่ว่าเป็นคนพ่านหรือบัณฑิตแล้วเราจะพัฒนาศีลความบริสุทธิ์ในถ้อยคำกำลังจิตกำลังใจและปัญญาในจิตใจของเราได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจในทั้งสีข้อนี้แล้วในตัวฝั่งนะเราเอามาใช้งานในชีวิตของเราไม่ได้ไปหาความผิด ไม่ได้ไปยกโทษกุญแนเขาแต่มาใช้ในชีวิตประจําวันที่เราจะเลือกคบคนควรจะเลือกคบคนที่มีศีลเลือกคบคนที่มีความบริสุทธิ์ในต้อยคำเลือกคบคนที่มีกําลังใจเลือกคบคนที่มีปัญญาเพื่อพัฒนาศีลพัฒนาความบริสุทธิ์การดําเนินชีวิตของเราพัฒนากําลังใจและพัฒนาปัญญาให้มันดีขึ้นสูงขึ้นนั่นเองท่าน้ฟัง ฝากไว้ในช่วงของใต้ร่มพุิบทในประสุททิชื่อว่าฐานะสูตรฐานะที่พึงรู้ได้ด้วยฐานะในช่วงของใต้ร่มพุทิบทนั้นจะมาพบกับตะบูฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ขายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆ มาฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org มนุนิ์ที่ปัญญาเป่ญญ า, ปานากับพระมหาไยบูณ์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร